เจ้าวัทะลิชวีใส่ความท่านพระทัพพระมละบุทด้วยสีละวิบัติที่ไม่มีมูลถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงคว่มบาตรเจ้าวัทะลิชวีห้ามสมโภคกับสงนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเจ้าวัทะลิชวี ใส่ความท่านพระทัพพระมลบุตรด้วยสีลวิบัติที่ไม่มีมูลสงความบาตรเจ้าวัฏทลิชวีห้ามสมโภคกับสงท่านรูปใดเห็นด้วยกับการความบาตรเจ้าวัฏทลิชวีห้ามสมโภคกับสงท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง เจ้าวัททะลิชวีถูกสงข่ามบาทห้ามสมโพ ก, กับสงแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้